ท่านผู้ที่เคารพค่ะดิฉันสันสินีนาพงศ์นะคะและนี่ก็คือรายการสันสินีสนทนาค่ะที่วิทยุครอบครัวข่าวได้เป็นแม่ขายให้พวกเราได้มีโอกาสนะคะมาทำให้ท่านทั้งหลายเนี่ยเข้าใกล้คำสอนของภาษาสดาทำวินัยซึ่งดิฉันคิดว่าทุกคนต้องดีใจมากยิ่งขึ้นที่ได้รู้ว่าพระพุทธองค์เนี่ยกลัดไว้ว่าการที่พระพุทธองค์ดับขันพระริพานไปแล้ว แต่ถ้าใครได้พบกับธรรมกับวินัยของท่านนั่นก็คืออยู่ใกล้ชิดภาษาสระนั่นเองดิฉันจะแม่นยําหรือเปล่าเดี๋ยวไปถามท่านพระบุญอี่ปุโ น, โนนะคะที่จะมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุททวัจนะในช่วงต่อไปนี้ในมัศ ก, กาลนะท่าคะยมพรค่ะในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าพูดถึงไว้ชัดเจนว่ามีศาาสระเนี่ยมีธรรมวินัยเนี่ยเป็นศ า, าสดระถ้าเรามีธรรมมีวินัยอยู่ก็ถือว่าพระุทธเจ้าเนี่ยก็อยู่ใกล้เราหลัละไม่ได้เป็นไหนนะเลย ถ้าผบว่าปรินิพพานไปตั้ง 2,555 ปีอืท่านก็ยังอยู่กับเราปราดใจที่ทำยังอยู่อย่างนั้นใช่ถูกต้องถ้ายังมีคนประพฤติธรรมอยู่ปฏิบัติตามเรยมารมยงแปดอยู่แลนะมีการบอกสอนสิ่งที่เป็นพุทธวจนะอยู่ผูนะ้ประพฤตพิธรรมประสงค์ก็จะอยู่ที่นี่อืค่ะแล้วก็ถ้าเราอยู่ที่บ้านใช่ไหมเรามีจิตไม่สั่นสายหมุนไปผิดมีเอกขตามีสัมมาทิฏฐิ รักษาศีลให้ทานอยู่เป็นประจำะชื่อว่าบูชาลกคุณอยู่ที่บ้านคุณก็มีถำ ม, มาได้ไม่ต้องมาที่วัดก็ได้เนี่ยนะคะถ้าเราทราบคำสอนที่แท้จริงเราก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วความดีที่เดินตามคำสอนของพระาศราสดาทำไม่ยากใช่ไคะแล้วพุทุวจนะเนี่ยยิ่งเราศึกษาล้วเฉพาะว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย แล้วก็ไม่ใช่ว่าต้องปฏิบัติยากนะมันปฏิบัติง่ายนะแต่มามองว่านะ <c oughs> ปฏิบัติง่ายดิฉันไปอ่านหนังสือคนเขาเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องความสุขปีใหม่นะคะเป็นผู้นำคนหนึ่งก็บอกว่าคนชอบอวยพรกันว่าขอให้มีความสุขแต่ในส่วนของท่านเนี้ยท่านก็ไปอ่านสคสของท่าภิกษุรูปหนึ่งซึ่งบอกว่า ขอให้มองเห็นความสุขและท่านนี้ก็เลยบอกว่าผมชอบจังเลยคือรู้สึกว่าใช่เพราะว่าความสุขมันมีอยู่รอบตัวถ้ามองไม่เห็นก็จะหาไม่พบอืมค่ะก็อย่างที่พุทธเจ้าจะตรัสไว้เรื่องของความสุขมีอยู่สองแบบไงที่พูดถึงความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความสุขที่เกิดจากการมใช่ไหมเอ่อเป็นของที่ไม่ควรเสพไม่ควรทาให้มากไม่ควรทําให้เจริญควรกลัว เราก็มีความสุขอย่างที่สองคือความสุขที่เกิดจากในภายในเป็นความสุขที่เกิดจากความสงดเงียบความสงบระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมเป็นความสุขที่ควรเสพควรทําให้มากไม่ควรกลัวพระนั้นความสุขประเภทที่สองตรงนี้เราเห็นได้อยู่ทุกวันแล้วแล้วเราก็ทําเองเราได้เป็นแค่เรามามองเห็นมันเท่านั้นเองแต่บางคนเนี่ยเขาจะพอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเหมือนกับโอ้ยอย่ามาพูดเรื่องยากทํายากกับเขาใช่ ทำไมคนจึงมักคิดเช่นนั้นกันนะแม่งเมาไงแมงเ ม, า, ง ม, งเมาอ่ะจะเห็นสีสันใช่ล้วกองไฟเป็นสีสันวิ่งเข้าไปอย่างคุณไปฉลองปีใหม่อย่างเงี้ยคุณไปดื่มเหล้าเมาเบียยิงพลุแตกตุ้มตุ้มเฮ่เฮชายโยอันนี้บอกเป็นความสุขเป็นการแบบส่งความสุขปีใหม่กันแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่คนที่จะมีสีสันในชีวิตคุณต้องหาความสุขแบบที่แบบอินทิบัติ4ไงอินทิบัตสีเนี่ยคือการที่เราตั้งเป้าหมายในชีวิตทําไปอย่างที่เป็นกุศลเนี่ยนะจะเป็นสีสันในชีวิตของเรา แล้วเราก็จะอยู่ในกูรูละธรรมอยู่ในศีลธรรมด้วยแล้วก็ถ้าคนมาหาความสุขด้วยสิ่งที่เป็นภายในอย่างเงี้ยเขาก็จะเห็นความสุขที่ละเอียดกว่าลึกซึ้งกว่าประณีตกว่าอันนี้ก็จะเป็นสีสันของชีวิตของคนที่ปฏิบัติธรรมได้นะคะทีนี้มึงเอินได้ไปดูเว็บไซต์ของท่านนะคะเจริญพรเห็นมีเขียนเรื่องสอขสสองห้าห้าห้าแล้วก็ปกติจะเป็นตัวพิมพ์ใช่ไหมคะ <c oughs> คราวนี้เป็นเหมือน ตัวเขียนเนี่ยอยากให้ท่านฟังทั้งหลายถ้าท่านใช้คอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้เขาใช้ในโทรศัพท์ได้แล้วลองกดไปที่เว็บไซต์ p พีย t h a m m a o c o m p-u-r-e แล้วก็นะคะค่ะ o c o m จะเห็นพร้อมเนยคันเลยเนี่ยตอนนี้นั่งดูอยู่เลยกระั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นเพนแคสค่ะนะคือการส่งด้วยการเขียนนะนะมันก็จะเป็นมีเทคโนโลยีที่เราสามารถเขียนจดบันทึกในกระดาษแล้วก็เอาขึ้นคอมพิวเตอร์ได้เลย ออกมาเป็นวีดีโอฉายให้ซึ่งถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือบางรุ่นอาจจะทําไม่ได้อาจจะดูไม่ได้แต่ก็ก็น่าจะดูได้อยู่คิดว่านะก็ไปเปิดดูในในคอมพิวเตอร์ก็ได้คอมพิวเตอร์ธรรมดาก็ได้แต่ต้องการทราบสาระมากกว่าเพราะเห็นท่านเขียนทรงความสุขส ข, ขสออ้อซออยู่ในกรอบของขวัญตลอดไปกลัวอายอะไรเนี่ยมากจเจริญความสุขสงัดสงบอะไรเหรอคะก็คือห <c oughs> มายถึงความสุขที่จะมีสองย่างอย่างที่พูดเมื่อสักครู่นี้ค่ะว่าเรา ควรจะอายคุณจะกลัวกับความสุขที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายอย่างเราไปกินไปเที่ยวไปดื่มอย่างเงี้ยคุณควรกลัวคุณควรอายแต่ถ้าคุณมาทําความสงบระงับความสุขที่เกิดจากความสงัดเงียบคุณไม่ควรกลัวคุณไม่ควรอายแล้วก็ควรทําให้มากคุณทําให้เจริญแล้วความสุขแบบนี้ควรทําอยู่ตลอดเวลาด้วยแล้วการที่จะส่งความสุขเนี่ยคือควรจะส่งกันด้วยความสุขที่เป็นแบบในภายในนี่ไงคือด้วยการพูดดีคิดดีทําดี สมมติถ้าเราพูดดีคิดดีทำดีกันเนี่ยคุณก็จะเรียกว่าเป็นการส่งความสุขให้กับคนรอบๆข้างได้ล อ, องคิดดูคุณยมติวเอาของขวัญไปให้เสร็จแล้วก็แถมคำด่าให้ด้วยบางทีคนเขาให้ของขวัญเรามาเนี่ยเรารู้สึกอืไม่อยากได้ก็มีนะของนี่เป็นได้มาแล้วเป็นภาระอย่างเงี้ยเราก็มีแต่ถ้ามีความสุขให้แบบที่ละเอียดใช่ไหมคือความสุขในภายในความสุขที่เกิดจากการพูดดีๆกันทำดีๆกันอย่างเงี้ยใครๆเขาก็อยากได้ ค่ะพูดถึงลักษณะในการที่ท่านนำเสนอสื่อออกมาแล้วก็มีการเขียนเขาเรียกคีย์เวิร์ดอะ่ะในลักษณะนี้ก็เหมือนกับเวลาเราจดเลคเชอร์ทำให้จำง่ายเหมือนกันนะคะใช่แล้วก็ยังเป็นในลักษณะของมัลติมีเดียนะมีเสียงท่าอาจารย์บรรยายด้วยมีภาพประกอบแล้วก็มีเพนอะไรของท่านเนี่ยนะคะนนท่านเนรียเพนแคสใช่ไหมี้เรียกว่าเป็นแคสใช่ะชี้ไป เหมือนกับดูเลคเชอร์ยังไงอย่างนั้นเลย uh, ถ้าใครสนใจแบบนี้อย่าลืมเข้าไปเพียวธรรมะ o c o m แล้วก็ดิฉันจะกลับมาที่สิ่งที่ท่านได้พูดไปเกี่ยวกับสาระสก อ, อ, อปีใหม่สมมุติไม่ใช่สมมุติค่ะในความเป็นจริงเนี่ยอย่างกับดี่ทนเนี่ยตอนนี้ก็รู้สึกว่าคนบางคนก็ไม่ชอบที่จะส่งสก อ, อ, อแล้วมันไม่สะดวก mm hmm. หรือว่าบางคนไม่รับสกส อ, อย่างดิฉันเนี่ยได้รับการตีคืนของสกศ mm hmm. บางฉบับ นะคะที่เราตั้งใจส่งไปให้ใครทีนี้เราก็มีความรู้สึกรู้จักคนเยอะมากเลยอื ม, มันจะทั่วถึงได้ยังไงคนนั้นเราก็นึกถึงคนนี้เราก็คิดถึงอยากส่งความปรารถนาดีไปให้อืนั่งปฏิบัติธรรมเลยแล้วก็ระลึกถึงเขาอย่างเงี้ยจะได้ไหมคะโอ้ได้แน่นอนเพราะว่าจิตของเราเนี่ยที่มีกระแสใช่ไหมแข่งความรักความเมตตาไปเนี่ยเวลาส่งไปที่ไหนที่ไหนเนี่ยคือเราสามารถส่งได้นะโดยกําลังที่จิตของเราที่มีมาก บางทีเราเห็นคนแก่บางคนหรือว่าคนที่มีเครือบุญบารมีเนี่ยเราเห็นแล้วมันมีความสบายใจยเห็นคนนี้แล้วมันมีความรักความเมตตาเกิดขึ้นมาทันทีอย่างเงี้ยอันนี้ก็แสดงว่าบุคคล น, นั้นเนี่ยเขามีส่งกระแสความรักความเมตตาอยู่เป็นประจำแล้วจิตเราส่งไปให้ใครเนี่ยจิตของคนไหนเนี่ยที่ถูกต้องกระแสงความรักความเมตตาแล้วเนี่ยนะก็จะน้อมไปในทางที่เป็นกุศลธรรมอันนี้เรื่องในสมัยพุทธกาลก็มีพระเจ้าเคยแผ่เมตตาแล้วให้ภิกษุ2รูปเนี่ย กลับมาฟังธรรมะได้ก็มีมเหมือนกับเป็นกระแสจิต ท, ที่เราส่งไป <c oughs> สามารถทําได้สามารถทําได้ <c oughs> ถ้าจิตคุณมีกําลังแต่ว่าอันนี้เนี่ย <c oughs> มันเหมือนกับว่าส่งไปแล้วต้องไม่คาดหวังว่าผู้รับจะได้รับอย่างเป็นควจับต้องได้หรือเปล่าถ้าความคาดหวังเป็นลักษณะของความอยากนะเป็นความเพ่งเลงอภิชาคุณมีกามอย่างเนี้ย โอยเธอต้องได้รับนะเธอไม่ได้รับไม่ได้นะฉันส่งให้เธอแล้วนะอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องกลางกั้นทำให้จิตของเราไม่มีสมาธิจิตไม่มีสมาธิคุณส่งไม่ได้หรอกส่งก็ไม่ไปค่ะะฉงนั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าตรงไหนที่สะดวกท่งจะเป็นความปรารถนาดีในลักษณะไหนแบบคนที่เขาทํากันเป็นวิถีชีวิตวัฒนธรรมอย่างี้็ทากันไปตามกาลังที่มีแต่ถ้านอกเหนือจากนั้นเราสามารถ ใช้วิธีของพระพุทธเจ้าอืส่งความปรารถนาดีผ่านทางจิต ท, ที่มีสมาธิใช่แล้วอีกประการหนึ่งคือแทนที่เราจะมาส่งในช่วงเทศการลรวมๆส่งมันก็เป็นภาระหนักใช่ไหมเราก็ส่งเป็นช่วงๆก็ได้ตลอดปีเนี่ยปีหนึ่งมีสิบสองเดือน่ะเราไม่ได้เป็นต้องจะส่งทุกทุกบรรแทนกันลุมกันส่งเดือนนี้เดือนเดียวใช่ไม่มเราก็ค่อยๆหยอดเพราะความสุขมันต้องให้กันทุกวันนะคุณหยมติ <c oughs> ค่ะคือ <c oughs> ถ้าจะมานั่งพูดกันตรงๆดิฉันเชื่อว่าอาจจะมีคนพูดแบบนี้นะคะว่าเล่นมากันพร้อมกันทีเดียวเนี่ยอ่านไม่ทันเลยพิมพ์ไม่ค่อยได้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยคล่องตัวแล้วก็ระบบเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเกินไปดิฉันเห็นว่ามันสำหรับบางคนมันใช้ไม่ง่ายนะคะเช่นการการใช้สัมผัสเนี่ยทัชไปบนทัชทัชสกรีนใช่ไหมคะเนผ่านบางทีเนี่ย ขนาดนิ้วมือมันใหญ่กว่าตัวอักษรนะคะกว่าจะจิ้มกอไก่ขอไข่ได้ทีเนี่ยโอโ้โหจิ้มอยู่หลายครั้งท้อเลยแต่คนเขาก็จะสะดวกอย่างนี้ดังนั้นอย่างที่ท่านพ้บูลพูดนี่ก็ดีนะคะส่งกันได้เรื่อยๆแล้วก็ความสุขตรงนี้เราคือเราไม่ใช่ว่ามาเฮโลกันเห็นเฉพาะช่วงปีใหม่ไงจริงๆเราต้องเห็นความสำคัญของวินาทีนี้มากกว่าของช่วงปีใหม่คือวินาทีนี้สาคัญที่สุด ปีใหม่จริงๆเลนเป็นเรื่องสมมติเฉยๆนะก็ลองพิจารณากันดูเราก็เป็นผู้ที่สมมุติว่าท่านหันเข้ามาสนใจในเรื่องของคันลองของพระพุทธศาสนาคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเนี่ยเราเอาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ใช่แล้วความสุขตรงนี้เนี่ยที่สำคัญเนี่ยคือเราทำเองได้เราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อ แล้วเราก็ทําได้ทุกวันทําบ่อยๆแล้วก็ยิ่งดีด้วยออย่างนี้ค่ะเส้<ะ>นพิบุณค่ะถามตรงนี้นิดนึงว่าในกรณีที่เราแผ่เมตตาคือก็จะมีการสอนกันมาบ้างว่าหากไม่สบายใจกับใครให้แผ่เมตตาให้เขาอย่างนี้เป็นต้นนะคะใช่บอลแผ่แผไปแล้วเนี่ยมันจะบางคนบอกว่าเออพอแผ่ไปแล้วทําไมคนนี้หายไปจากจิตใจเราเลยอืม บางทีก็ยังอยากให้เหลืออยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับไม่ค่าหรืออุปทานไปเองให้ไปจากชิตใจนี่หมายความว่ า, าไม่นึกถึงเขาอีกใช่ไหมไม่นึกถึงคือเมื่อก่อนอาจจะนึกถึงแบบอะไรล่ะมีก็มีไม่ดีก็มีค่ะมีทั้งดีและไม่ดีนึกถึงมากแต่พอหลังจากแผ่เมตตาทําไมมันนึกถึงแบบไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลโหก็ก็เป็นอย่างนั้นเนอะเพราะว่า ผู้ชม บ, บอกว่าจิตที่จเจริญเมตตาบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจิตเราจเจริญเมตตาบ่อยๆแห่เมตตาให้เขาใช่ไหมจิตของเราเนี่ยจะตั้งมั่นด้วยรวดเร็วอเพราะฉะนั้นไอาการที่จิตของเราตั้งมั่นเนี่ยก็คือไม่คิดเรื่องอะไรมากไม่ต้องคิดเรื่องอะไรเลยนี่ยิ่งดีไม่ต้องคิดถึงใครเลยแม้ว่าจะดีไม่ดีนั่นแหะคือจิตคุณตั้งมั่นได้รวดเร็วแล้วอ๋อนั่นต้องถือว่าดีจงดีใจที่เป็นอย่างนั้นอ่าก็จะเป็นส่วนของสมาธินะคะอ่า คือหมายความว่าจะทําให้จิตของเราตั้งมั่นได้รวดเร็วค่ะอ่านี่คืออันนี้สงที่จะเกิดขึ้นอ๋อก็ถ้าพูดโดยรวมก็คือเป็นอันิี้สงของการแผ่เมตตาโดยรวมใช่แต่ว่าถ้าเราต้องการจะไปคิดถึงไกลเราสามารถน้อมจิตไปคิดถึงได้คื อ, ค, อคือเราจิตเราสั่งได้อะอถ้าเราไม่ได้สั่งอะไรมันมันก็นิ่ ง, น, งนิ่งอยู่สบายอยู่โอเคถ้าฉันจะสั่งให้ไปแก้ปัญหาเรื่องนี้เดี๋ยวมันก็คิดออกมาได้นะคําตอบก็มีออกมาแต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือ ไม่ต้องไปไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดอะไรจะทำให้ตั้งมั่นได้เร็วขึ้ น, นเป็นผู้อยู่เบกขามีปกติอยู่เป็นสุขอันนี้ก็จะมีเป็นผู้ที่พระอริยเจ้าสรรเสริญค่ะคือท่านพูดแบบนี้ดิฉันเลยนึกถึงในเรื่องของเจริญสติปัฏฐานสี่ที่ถ้าท่องกันเฉยๆจะได้เลยว่า กายเวทนาจิตทำใช่ทีนี้ผมมาถึงเวทนาพอท่านพูดถึงอุเบกขาเนี่ยฉันเลยนึกถึงในส่วนของเวทนาเนี้ uh huh. ว่าหากเวลาที่ปฏิบัติตอนแรกถ้าพิจารณากายก็คือการรู้ลมหายใจถูกไหมคะใช่ทีนี้พอถึงเวทนาเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ให้อยู่เบกขาก่อนถูกไหมคะกายเวทนาเวทนานี่ให้อยู่เบกขาก่อนเหร อ, ห ม, มอ ห, มหมายความว่าไงเนาะหมายความว่าเราต้องทําใจเป็น ไม่ <be> บเบียาเป็น ka, อุเบกขาเองคะอ๋ออันนี้ก็จะเป็นมีดีอยู่เมื่อมีการกระทบอารมณ์นะการที่เราทรงจิตเรานิ่งๆไว้อยู่ได้เนี่ยคืออุเบกขาใช่ค่ะเพราะนั้นถ้าสมมุติว่าเราไม่ต้องปฏิบัติธรรมเลยนะคะไม่ต้องไปรู้ลงหายใจไม่ต้องไปเริ่มต้นที่การดูลมอืแต่ใช้จิตวาง ka, อุเบกขาอ๋อเขาทํากันได้ไหมคะอันนั้นคือการปฏิบัติแล้วจริเหรอคะอันนั่นคือการปฏิบัติแล้วการที่เราทรงจิตบังคับจิตประคองจิตไว้ ไม่ให้ไปอกุศลธํามเกิดขึ้นการที่เราทรงจิตไว้บังคับจิตตั้งจิตไว้ไม่ให้อกุศลทําเกิดขึ้นให้กุศลทําเกิดขึ้นเนี่ยนี่คือสัมมาวายามะถ้าขับรถไปอืในระหว่างที่ตั้งใจที่จะทรงจิตให้เป็นอุเบกขาอืเป็นอุบัติเหตุรุนแรงอยู่ข้างหน้าเลือดสาดกระเด็นเล ย, ยจิตที่เป็นอุเบกขาต้องทําอย่างไรคะจิตที่อุเบกขาก็จ ะ, ะตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดี คือหมายถึงก็จะทรงความตั้งมั่นไว้อย่างเดิมจะไม่ตกใจจะไม่สะดุ้งไปตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกถามว่าจะเลี้ยวรถเข้าไปช่วยไหมช่วยได้นะเพราะว่าเราพูดอยู่ทำงานอยู่เราก็ทรงจิตของเราโดยไม่ตื่นเต้นตกใจได้นะแต่หมายความว่าจิตของเราจะเป็นกลางกลางเราเกิดความรู้สึกอย่างนี้จโอ้ยเวทนา น่าสงสารจังมันลูกใครสามีใครเนี่ยอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะ<อ>ไม่เบิกขาไปยังคะถูกต้องตอกไปเบิกขาไปละแต่คุณคิดได้นะคือคิดแบบว่าเ อ, อเอ๊ะเขาจะต้องบอกโทรบอกใครไหมอะไรจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยจะจะ r e f l e c ตรงนี้ออกมาจะต้องต้องตอบสนองในด้านนี้ออกมาละโดยอัตโนมัติเนี่ยพวกนี้แหละคือสิ่งที่พวกบุคลาก ร, กรทางการแพทย์หรือบุคลาก ร, กรทางด้านความฉุกเฉินเนี่ยเขจะต้องฝึกเอาไว้อย่างดี สงสัยจะต้องไปกราบเรียนถามท่านต่อในเรื่องเหล่านี้ในวันพรุ่งนี้ได้ไดเดี๋ยวฉันคิดว่ามีมุมที่อยากจะถามนะคะใ่ข่าวันนี้ก็นวัตสการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างมากเพราะว่าเวลาหมดค่ะใช่สัมผ <c oughs> ัสระหว่ังที่เคารพค่ะเนี่ยค่ะบางครั้งแหมกําลังถึงจุดที่อยากจะถามต่อพอดี <c oughs> เวลาก็มาเป็นเครื่องที่ทําให้เราได้ไปทบทวนของที่ฟังมาแล้วก่อนแล้วเรื่องใหม่ค่อยว่ากันต่อไปในวันพรุ่งนี้นะคะ <c oughs> ติดตามกันไปเนี่ยค่ะ ทีละเล็กทีละน้อยบางทีน้อยๆเนี่ยคิดว่าได้น้อยแต่เป็นได้มากก็มีแล้วจะจริงหรือเปล่าไปฟังกันต่อในวันพรุ่งนี้ละกันนะคะ<ม>วันนี้เพียวธรรมะ c o m อยากให้เข้าไปดูกันจริงๆและถ้าจะส่งคำถามถึงเราก็ต้อง106สักหน่อยส่วนหนังสือ0226900 ศูนย์หกะคะท่านจะได้นงสือพุทธวจนะพี่ท่านอาจารย์คือปิโสโตริปรโลท่านจะอาวาสวัดที่ท่านมาชาคาวาโรพระภิกษุ ร, รูปแรกในรายการจะวัดอยู่เนี่ยก็มอบให้กับพวกเราวันละสามเล่มค่ะวันนี้ดิฉันสันสนีนาคพง์ลาท่านฟังทั้งหลายเพื่อที่จะมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะพุทธ ว, ส, วสดีค่ะ